เทักถาว่าด้วยการเปล่งวาจาสามยี่สิบหกสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก การเปลี่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปลี่งวาจาของผู้เข้าฌานทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก การเปล่งวาจามีอยู่ในสมาบัติทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌาณมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเคลื่อนไหวไกายของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเคลื่อนไหวไกายของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปรใช่สก การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่การเปล่งวาจาก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายไม่มีใช่ไหม ปอรอใช่สกวาจาของผู้เข้าชานมีอยู่แต่การเปล่งวาจาไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอยยี่สเจกเมื่อรู้ว่าทุกย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่าสมุทัยย่อมเปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เมื่อรู้ว่าทุก์ย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่านิโรทย่อมเปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อรู้ว่าทุกขย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่ามักย่อมเปล่งวาจาว่ามักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เมื่อรู้ว่าสมุทัยแต่ไม่เปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อรู้ว่านิโรธแต่ไม่เปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเมื่อรู้ว่ามักแต่ไม่เปล่งวาจาว่ามักใช่ไหมปรใช่สกเมื่อรู้ว่าทุกขแต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามอก่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกญาณมีอะไรเป็นโคจรปรญาณมีสัจจะเป็นโคจร สกโสตะมีสัจจะเป็นโคจรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกโซตะมีอะไรเป็นโคจรปรโซตะมีเสียงเป็นโคจรสกยานมีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก การเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ยานมีสัจจะเป็นโคจรโสตามีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมปรใช่สกหากยานมีสัจจะเป็นโคจรโสตามีเสียงเป็นโคจรท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ยานมีสัจจะเป็นโคจรโสตามีเสียงเป็นโคจรใช่ไหม ปอรอใช่สกการประชุมแห่งภัษสองเวทนาสองสัญญาสองเจตนาสองจิตสองมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น329อ่ ส, าอสอกาการเปล่งวาจาของผู้เข้าชาปนมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติ ที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าชานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินมีเตโชกสินมีวาโยกสินมีนีลักษสินมีปีตะกสินมีโลหิตากสินมีโอทาตากสิน มีอากาสานัญจายตนะมีวิญญาณัญจายตนะมีอาชินัญญาญตนะมีเนวสัญญานาสัญญาญตนะเป็นอารมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มี ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีอาโปกสินมีเตโชกสินมีวายโยกสินมีนีละกสินมีปีตะกสินมีโลหิตะกสินมีโอทาตะกสินมีอากาสานัญจายตนะมีวิญญาณัญจายตนะมีอากินัญญาตนะ มีเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเป็นอารมณ์ไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการเปล่งวาจาของผู้เข้าสมาบัติที่มีเนวสัญญานาสัญญายาตนะเป็นอารมณ์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก การเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าโลกียสมาบัตมมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าโลกียปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก การเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าโลกิยะทุติยชาตตติยชาติจตุทชาตมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าโลกิยะสมาบัติไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการเปลี่งวาจาของผู้เข้าโลกิยะสมาบัติไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปลี่งวาจาของผู้เข้าชาตมีอยู่สก การเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าโลกียะปฐมฌานไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าโลกียปฐมฌานไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกการเปลี่ยนวาจาของผู้เข้าโลกียทุติยฌานตาติยฌานจตุติฌานไม่มีใช่ไหมปรใช่สก การเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าโลกยิยะจตุตชานไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สาม้อยสาสิบสกการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าโลกุตระปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าโลกยิยะปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปฐมชาตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกียะทุติยชาตตติยชาติจตุทัชาตมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกียะปฐมชาตไม่มีใช่ไหมปรใช่สก การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปถมชาญไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกิยะธุติยชาญตติยชาญจะตุทชาญไม่มีใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปถมชาญไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสาม้สาสบเอ็ดสก การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปทมชาตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยชาตมีอย<ต>ู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปฐมชาตมีอยู่ใช่ไหมปร aria. ใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระตติยชาตจะทุติยชาตมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยชาญไม่มีใช่ไหมปรใช่สกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปฐมชาญไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระทุติยชาญตติยชาญจัตุตชาญไม่มีใช่ไหมปรใช่สก การเปล่งวาจาของผู้เข้าโลกุตระปฐมฌานไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสามสิบสองปรท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกและวิจารณ์เป็นวัถีสังขารเครื่องปรุงแต่งวาจาวิตกและวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหม สกใช่ปรหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกและวิจารณ์เป็นวจีสังขารวิตกและวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกและวิจารณเป็นวจีสังขารวิตกและวิจารณของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้น การเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกวิตตกและวิจาร์ของผู้เข้าปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีอยู่การเปล่งวาจาของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภ า, ะาคตรัสว่าวิตกและวิจาร์เป็นวจีสังขารวิตกและวิจาร์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้น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 ปรท่านไม่ยอมรับว่า ie, การเปลี่ยงวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพ ร, fini, roses. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุทฐานวิตกและวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุทฐานวิตกและวิจารณ์ของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุทฐานวิตกและวิจารของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีสัญญาเป็นสมุทฐาน สัญญาของผู้เข้าทุติยชาญมีอยู่วิตกและวิจารณ์ของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุฐานวิตกและวิจารณของผู้เข้าปฐมชาญมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคตรัสว่า วาจามีสัญญาเป็นสมุฐานสัญญาของผู้เข้าสติยฌานจะตุทะฌานอากาสานันจายตนะวิญญานันจายตนะอากินจัญญายตนะมีอยู่วิตกและวิจารของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 33, สามอสาสิบสามสกการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอ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 เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าวิตกและวิจารของผู้เข้าทุติยชานดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นวิตกและวิจารณของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสูตรที่ว่าวการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมชานดับไปมีอยู่จริง เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าปิติของผู้เข้าตติยฌานดับไปลมอสสาสะปัสสาสะของผู้เข้าจตุจฌานดับไปรูปสัญญาของผู้เข้าอาการสานัญจายตนะดับไปอาการสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะดับไปวิญญาณญจายตนะสัญญา ของผู้เข้าอาคินจัญญาย Recently, no and and ัจณะดับไปอาคินจัญญายัจณะสัญญาของผู้เข้าเนวัสัญญานาสัญญายัจณะดับไปสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิจนิโรดดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรดนั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรรรท่านไม่ยอมรับว่า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 เสียงเป็นปฏิบักษต่อผทมฌานเพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานจึงมีอยู่ใช่ไหมอรอใช่สกรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกและวิจารเป็นปฏิบักษต่อทุติยฌานตรัสว่าปีติเป็นปฏิบักษต่อตติยฌานตรัสว่าลมอสาสะปัสาสะเป็นปฏิบักษต่อจตุทฌานตรัสว่า รูปสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากาสานัญญาตนะตรัสว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าวิญญาณัญญาตนะตรัสว่าวิญญาณัญญาตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากินจัญญาตนะตรัสว่าอากินจัญญายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะตรัสว่าสัญญาและเวทนา เป็นปฏิปักิต่อผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌามีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์สาวกชื่อว่าอภิภู ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสิกขีสถิตอยู่ในพรหโมโลกได้ประกาศให้หมื่นจั ก, กรวาลทราบด้วยเสียงว่าท่านทั้งหลายจงปราร o ความเพียรจงทําความเพียรอย่าหยุดยั้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกําจัดกองท่าแผงมัด จ, จุเหมือนช้างกําจัดเรือนต้นอ้อฉะนนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จักระทําที่สุดแห่งทุก์ได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าชาญจึงมีอยู่วจีเพทกถาจบ ทุกขาหารักคาว่าด้วยทุกขาหารยานสา <worked> นมสามสิบ่สกการกล่าวว่าทุกข์เป็นองค์ของมรคนับหนึ่งในมรใช่ไหมปรใช่สกทุกคนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกคนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรใช่ไหมปรใช่ สกพาแะปุถุชนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตทอทำลายสงฆ์ให้แตกกันกล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นทุกขาหา ร, รกถาจบเจ็ด จิตตติกัฏฐาว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งจิตสามอสาสกจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรใช่ส ก, กึงวันเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอี ก, กึงวันเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสองวันใช่ไหมปรใช่ สกวันหนึ่งเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกวันหนึ่งเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสี่วันแปดวันสิบวันยี่สิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนสี่เดือนแปดเดือนสิบเดือนหนึ่งปีสองปีสี่ปีแปดปีสิบปีสามสิบปีสี่สิบปี ห้าสิบปีร้อยปีสองร้อยปีสี่ร้อยปีห้าร้อยปีพันปีสองพันปีสี่พันปีแปดพันปีหนึ่งมืนหกพันปีหนึ่งกับสองกับสี่กับแปดกับสิบหกกับสามสิบสองกับหกสิบสี่กับห้าร้อยกับพันกับสองพันกับสี่พันกับแปดพันกับหนึ่งมืนหกพันกับสองหมืนกับ สี่หมืกับหกหมืกับ8ปดหมพันกับใช่ไหมปรใช่สกสี่หมื่สองพันก 42, ับเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกสี่หมสองพันกับเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรใช่สก สภาวะธรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมากครั้งในวันหนึ่งมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สอกอสภาวะธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสภาวะธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมป ร, ร, รใช่สอกอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นสภาวะธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงได้เร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆมีอยู่จริงมิใช่หรือปอร์ใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตสอกอสภาวะธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมปอร์ใช่สอกอ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 สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตสามร้อสก่อจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรใช่สกจากุวิญญาณตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนโซตะวิญ ญ, ญ, ญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณ จิตที่เป็นอกุศลจิตที่สหรคตด้วยราคะที่สะหรคตด้วยโทสะที่สะหรโคด้วยโมหะที่สะหรโคด้วยมานะที่สะหรคตด้วยทิฐิที่สะหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่สะหรคตด้วยถีนะที่สหรโคด้วยอุทจจะที่สะหรคตด้วยอหิริกะที่สะหรโคด้วยอนตตปะตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเห็นรูปทางตาด้วยจิตดวงใดฟังเสียงทางหูด้วยจิตดวงนั้นดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจด้วยจิตดวงใดเย่อมเห็นรูปทางตาด้วยจิตดวงนั้นฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องพทธะทางกายด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นนั่นเองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดวันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลกล่าวไปด้วยจิตดวงใดย่อมถอยกลับด้วยจิตดวงนั้นถอยกลับด้วยจิตดวงใดย่อมเกล่าไปด้วยจิตดวงนั้นแลดูด้วยจิตดวงใดย่อมเหลียวดูด้วยจิตดวงนั้นเหลียวดูด้วยจิตดวงใด ย่อมแลดูด้วยจิตดวงนั้นคูเข้าด้วยจิตดวงใดย่อมเหยียดออกด้วยจิตดวงนั้นเหยียดออกด้วยจิตดวงใดย่อมคูเข้าด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสามสิบเจ็ดสกเหล่าเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสา น, นัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรใช่สก เรามนุษย์มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะพบมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรใช่สกเราเทพชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปารนิมิตวัสวัตดี ฉันโพรมาปาริสัชาฉันโพรมาปโรหิตาฉันมหาพรมมาฉันปริตาพาฉันอปปมานาภาฉันอภัสราฉันปริตาสุภาฉันอปปมาณสุภาฉันสุภกินหาฉันเวหะพลาฉันอวิหาฉันอตาปาฉันสุทัสสาฉันสุทัสสีฉันอภณิฐามีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเราเทพผู้เข้าถึงั้นอากาสานัญจายตนะพบมีประมาณอายุสองมืนกับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสองหมื่นกับใช่ไหมปรใช่สกเรามนุษย์มีประมาณอายุร้อยปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดร้อยปีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานันจายตนะพมีประมาณอายุสองหมื่นกับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดสองหมื่นกับใช่ไหมปรใช่สกเราเทพชั้นจาตุมหาราชมีประมาณอายุห้าร้อยปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด 20, ห้าร้รอยปีเราเทพชั้นดาวดึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีเราเทพชั้นยามาตั้งอยู่ได้ตลอดสองพันาา 2, ปี เหล่าเทพชั้นดุสิตตั้งอยู่ได้ตลอด 4,000 ปีเหล่าเทพชั้นนิมมานรดีตั้งอยู่ได้ตลอด 8,000 ปีเหล่าเทพชั้นปารณิมิตวัสวัตดีตั้งอยู่ได้ตลอด 16,000 ปีเหล่าเทพชั้นพรหมมปริสัชชาตั้งอยู่ได้ตลอด1ใน3ของกลับเหล่าเทพชั้นพรหมมปุโรหิตาตั้งอยู่ได้ตลอด2กับเหล่าเทพชั้นมหาพรหมมาตั้งอยู่ได้ตลอด1กลับ เหล่าเทพชั้นปริตาภาตั้งอยู่ได้ตลอดสองกับเหล่าเทพชั้นอปมานาภาตั้งอยู่ได้ตลอดสี่กับเหล่าเทพชั้นอภัสราตั้งอยู่ได้ตลอดแปดกับเหล่าเทพชั้นปริตตสุภาตั้งอยู่ได้ตลอดสิบหกกับเหล่าเทพชั้นอปมานาสุภาตั้งอยู่ได้ตลอดสามสิบสองกับเหล่าเทพชั้นสุภกินหาตั้งอยู่ได้ตลอดหกสิบสี่กับเหล่าเทพชั้นเวหพลาตั้งอยู่ได้ตลอดห้าร้อยกับ เหล่าเทพชั้นอวิหาตั้งอยู่ได้ตลอดหนึ่งพันกับเหล่าเทพชั้นอตาปาตั้งอยู่ได้ตลอดสองพันกับเหล่าเทพชั้นสุทัศน์ตั้งอยู่ได้ตลอดสี่พันกับเหล่าเทพชั้นสุทัศีตั้งอยู่ได้ตลอด8ปดพันกับเหล่าเทพชั้นอกรนิษฐามีประมาณอายุหนึ่งหกพัน 6, กัปก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดหนึ่งหมกพันกัปใช่ไหมปอรรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นปอรร เราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตเกิดดับเป็นระยะระยะใช่ไหมสกใช่ปรเราเทเพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพจุติปฏิสนธิเป็นระยะระยะใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเราเทเพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหม ปรใช่สกเราเท่พู้เข้าถึงชั้นอากาสานญจายตนะพบปฏิสนธิด้วยจิตดวงใดย่อมจุติด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจิตตติฏฐิกถาจบ8ปุปู ก, กุลกถาว่าด้วยเท่ารึงสาร้อยสาสิบสกสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหม ปรใช่สกสุขเวทนาสุขทางกายสุขทางใจทิพยสุขสุขของมนุษย์สุขในลาบสุขในสักการะสุขในการไปสุขในการนอนสุขในความมีอำนาจสุขในความเป็นใหญ่สุขของครหัตสุขของสมณะสุขมีอาสวะสุขไม่มีอาสวะสุขมีอุปธิสุขไม่มีอุปธิสุขเจืออามิ t h สุขไม่เจืออามิ t h สุขมีปีติสุขไม่มีปีติสุขในฌานสุขอันเกิดจากวิมุตติสุขในกามสุขในเนคขมะสุขอันเกิดจากวิเวกสุขอันเกิดจากความสงบสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากสุขเวทนาละถึงสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุเดเท่ารึงโดยไม่จำกัดสกสังขารทั้งปวงเป็นดุเดเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรใช่สกสังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนาทุกทางกายทุกทางใจโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านไม่ยอมรับว่า สังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจะขู่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกขูวิญญาณเป็นของร้อนจกขู่สัมผัสเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะเพราะโสกะเพราะปริเตวะเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะอุปาญาตโซตะหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อน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 ร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะเพราะโศกะเพราะปริเทวะเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะอุปาญาตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกใช่ปรดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดสก สังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่าเรึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสองเสียงที่เพึงรู้แจ้งทางหู 3. ามกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสี่รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าผัทพาที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดพิกษุทั้งหลายกล้ามคุณมีห้าประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า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 ถูกต้องโภทภะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมย์ที่น่าพอใจมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ ปอรอดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่าเริงโดยไม่จํากัดสกสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่าเริงโดยไม่จํากัดใช่ไหมปอรอใช่สกเพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่า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 ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐพะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนารู Gren ้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมารม์ที่ไม่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารม์ที่ไม่น่าพอใจ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่าเรึงโดยไม่จํากัดปรท่านไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่าเริงโดยไม่จํากัดใช่ไหมสกใช่ปรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่หรือ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 ไม่เป็นที่พึงพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมปรไม่คว <emie> ร <similarly> กล่าวอย่างนั้นสกศีลอุโบสถภาวนาพรหมจันทร์มีผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่เป็นที่พึงพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็ยนมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือป ร, รใช่สกหากทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็ยนมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จากัดสก ศีลอุโบสถภาวนาพรหมจรรย์มีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือปรใช่สกหากพรหมจรรย์มีผลหน้าปรารถนาหน่าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า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 กกุละกาถาจบ